พระพูดธมาพูดถึงเรื่องาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์พูนผลอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรมีสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นข่าศึกหรือเป็นภัยต่อแม่น้ำนั้น กนมีมากต่อมากสิ่งที่จะทาให้น้ำาสกรกรกโกรกรุงลังไม่เป็นที่น่าอาบดื่มใช้สอยได้สะดวกสบายและใสสะอาดนั้นมีมากสิ่งทําลายน้ำที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นน้ำสโสกกรกโกโครกไปมีอยู่ทั่วดินแดนนี่เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้า ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีเต็มอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่บุกพ้องในธรรมของพระองค์เลยนี่หมายถึงธรรมในหลักธรรมชาติแท้เป็นอย่างนั้นและธรรมที่เป็นจริยาก็ได้แก่ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแนะนำสั่งสอนขอสมบูรณ์พูน ผ, ผลไปด้วยเหตุด้วยผลแต่สิ่งที่รกรุงรังซึ่งเป็นข้าศึกต่อาศาสนธรรมก็ มีอยู่ทุกแห่งทุกหนตําบลหมู่บ้านทั้งไกลทั้งไกลทั้งข้างในข้างนอกมีอยู่ทั่วไปหมดสิ่งที่จะทําให้าศาสนามัวหมองหรือขุนเป็นตมเป็นโคลนไปก็มีมาพร้อ ม, พ ร, อมพร้อมกันและทําหน้าที่ของตนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงไม่ได้ปรากฏผลเป็นธรรมที่พึงใจ แก่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งหลายเพราะในผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเสียเองก็เป็นผู้เที่ยวสาดแสวงหาและกรอบกรอโยเอาสิ่งโสกโผลกโสมมมาคล้าเคล้ากับทำคือภาคปฏิบัติของตนให้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นตมเป็นโคลอยู่ภายในตัวนั่นแหละสมาธิคือความสงบใจให้มีความเย็นจึงเป็นไปไม่ได้ พูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่มียิบยิบแยบแยบก็เพราะสิ่งโสโปรกทั้งโรกรุงรังทั้งหลายเหล่านี้เข้าค้าเข้ารบกวนทํา ล, ลายแล้วไม่มีเพียงรายหนึ่งรายเดียวจะพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงชาวพูดท้องเราย่นเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะ ขนขวายหาสิ่งโสโปรกโสมมเข้ามาทำลายตนซึ่งเป็นแหล่งที่สถิแห่งธรรมได้แก่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นให้ขุนมัวไปตามอารมณ์ต่างๆคำว่ารูปก็หาประมาณไม่ได้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมภายในกิจใจเสียงก็หาประมาณไม่ได้กลิ่นรดเครื่องสัมผัสเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับปมกับโคร ไหลเข้ามาคร่าเข้าจนได้ทําให้จิตใจมีความขุ่นมัวตลอดเวลาถามเหาสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามถึงเรื่องปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามนิมุตติพุดธพ้นยิ่งไม่ปรากฏเลยเพราะสิ่งที่เป็นภัยนี้กลืนเข้าไปเสหมดกลืนเข้าไปเสหมดาศาสนาเลยถูกกิเลสตัณหาประเภทต่างๆ ที่เต็มอยู่ในสัตว์ในบุคคลกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปจนแสดงอากับกิริยาออกมาภายนอกให้เป็นที่สรุดสังเวชมีมากมายเวลานี้เรียนมากเท่าไรก็ยิ่งสั่งสมสิ่งไม่ดีทั้งหลายเข้าเข้าเ ข, ข, ข, ข้าไปให้มากเพียงนั้นสุดท้ายผู้เรียนมากก็ดีผู้ไม่ได้เรียนก็ดีแต่ปฏิญญาตนว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศา ส, สนาก็ มีลักษณะเดียวกันหมดเลยไม่ทราบว่าใครยิ่งใครย่อนกว่ากันในการสะสแสวงอาธรรมหรือเป็นการส ะ, สะแสวงหากิเลสไปในตัวด้วยกันหมดก็ไม่ทราบได้นี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพินิจพิจารณาเราเป็นพระนักปฏิบัติอย่าสะาสะจัดแสวงหาอารมณ์ที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจมาแต่การไหนไหนทำของพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศ โทษแห่งสิ่งเหล่านี้มาประจำกับาศาสนธรรมไม่เคยขาดปักขาดตอนเลยสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นภัยต่อสัตว์โลกอยู่จนได้เพราะการสะแซงหาด้วยอำนาจแห่งการเชื่อฝ่ายต่ำนั่นแหลจึงทำให้เด็กคนไข้เข้ามาสู่ใจของตนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติธรรมแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ก็มีแต่โทษภายในตัวไปเสีย เมื่อถามเึงาศาสนาก็เลยไม่ทราบว่ า, าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ค้าเข้าไปจนหมดของปลอมกลายเป็นของจริงก้าสิงสติตอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมเสียโดยสิ้นเชิงทำเลยไม่ค่อยปรากฏในหวัวใจนี่เป็นที่น่าวิตกมากขอให้ทานทั้งหลายคิดให้ดีผมน่ะแก่มาทุกวันทุกวัน ก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเรามากขึ้นเพียงนั้นเพราะจะไม่ได้หน้าได้หลังจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปคล้าเคล้าภายในจิตใจคำว่ามากกว่าผลว่าสมาธิปัญญาจะไม่ค่อยค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วเวลานี้การปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าเป็นกิริยา เดินจงกรมก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเป็นกิริยาแต่กิเลสเข้าไปทำงานอยู่ในวงงานอันนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นมากยิ่งกว่าความเพียรจะแสดงตัวออกได้ทีละนิดละหน่อยว่านั่งสมาธิก็เหมือนกันวงงานแห่งความแห่งการทำงานในวงสมาธิก็มีแต่สั่งสมอารมณ์กว้านหาอารมณ์นั้นกว้านหาอารมณ์นี้เข้ามา ซึ่งด้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นค่าสื่อของความสงบเย็นใจจึงหาสมาธิไม่ได้ภาวนาจักเท่าไรก็ได้แต่อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครุ่นมาคิดมาเนกมาฝันวาดภาพอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาพของกิเลสทำงานนี่จึงน่าสรุปสังเวชเอามากนะผู้ปฏิบัติยังเสียดายอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะ ก, ก้าวไม่ออก อารมณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัยร้อยเปอร์เซนต์คำว่ารูปอย่างเดียวนั้นรูปไหนที่ไม่เป็นภัยเพราะใจชอบหมดใจชอบรูปไหนรูปไหนก็เป็นภัยรูปนั้นรูปนั้นมาเป็นภัยต่อใจเสียเองนี่ในรูปที่เห็นว่าเป็นภัยมากเท่าไรจิตใจยิ่งชอบยิ่งรักรูปที่พระพุทธเจ้าทรงตําหนิมากเท่าไหร ว่าเป็นภัยต่อต่อจิตใจต่ออัตตตธรรมผู้ปฏิบัติหรือเราเสียเองยิ่งชอบมากในรูปประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามคําว่ารูปว่ารูปก็รวมตัวกันมาเป็นภัยต่อจิตใจเสียทั้งมวลแล้วจะหาความสงบร้มเย็นมาจากไหนคําว่าเสียงก็เหมือนกันเสียงหาประมาณไม่ได้แต่เสียงใดที่ เป็นเสียงธรรมดาธรรมดาจิตใจก็ไม่ชอบแต่ไปชอบจะเอาเสียงที่เป็นภัยต่อต่ออัดต่อทาต่อจิตใจนั่นแหละมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก้านเข้ามาเผาหมดภายในหัวใจดวงนี้เป็นรถเครื่องสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้อันใดที่ไม่เป็นภัยจิตไม่ ก็ไปปักลงไปและไปคิดลงไปในจุดนั้นไปสั่งสมจุดนั้นไปสนใจในจุดนั้นถ้าสิงใดเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสใดที่เป็นภัยต่อจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วจิตใจ ย, ย่อมชอบในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะกิเลสทําให้ชอบขอให้ทุกท่านจำเอาไว้เราเองนั้นมุ่งอัดมุ่งทำมาด้วยกัน ตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหาอาธาธรรัธถัลทำไม่ตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นตัวภัยนี้เลยแต่ทําไมจิตใจมันถึงกลมกลืนกันกันกบไทยนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่รู้เนื้อรู้ร ต, ตัวตลอดมาจนกระทั่งถึงว่าธรรมที่เคยปรากฏธรรมที่เรา ม, มุ่งหวังอย่างแรงกล้ามาโดยลําดับลําดานั้นไม่ค่อยจะปรากฏรสชาติขึ้นมาภายในจิตใจเลยก็เพราะสิ่งเหล่า น, นี้กลืนลงไปกินหมด นี่แหละมันลำบากการปฏิบัติธรรมเพราะพิเรศมันก็มีรสชาติอันหนึ่งที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้ร่วมจมกับมันได้เกินกว่าธรรมจะเข้าแทรกถึงในเวลาเริ่มแรกมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำงานทั้งนั้นอวัยวะของเรามีทุกสัตว์ทุกส่วนพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นภัยต่อตนเองถาวารูปหรือตาเราก็มีเสียแน่ เสียงหรือหูเราก็มีเสียเนี่ยเครื่องรับกันที่จะมาเป็นภัยเครื่องต้อนรับที่จะมาเป็นภัยเผาไหม้ตัวเองเป็นไปยังไงจมูกเราก็มีเสียรสลิ้นก็มีเสียความเย็นร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งกายของเราที่คอยสัมผัสสัมพันธ์ก็มีเสีย รวมไปแล้วใจผู้คอยสัมบัตสัมพันธ์รวมยอดก็มีเต็มตัวอยู่นั่นคอยแต่จะรับทราบคอยแต่จะรู้จะยึดจะถือจะปักใจลงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นจึงมีแต่ภัยเต็มตัวนี่ละที่ว่าการบาเพ็ญทำลำบาบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยมันกลมกลืนไปด้วยกันยากที่จะแยกจะแยก ให้รู้ว่าอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคนเป็นคุณผลสุดท้ายก็มีตั้งแต่ภัยเต็มหัวใจผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่ทอดแก่มาเท่าไรก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใ ย, ยหมู่เพื่อนแล้วสิ่งที่ล่อแหลมต่อทำนั้นมีมากขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วก็พอใจอีกด้วยเกลเยตัวทําให้พอใจมี ส่วนธรรมที่ทำให้พอใจมีน้อยมากคิดได้เป็นชั่วขนาแต่และครู่ละยามเท่านั้นต่อต่างนั้นมันก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเสียศาสนาก็ถึงจะว่ามีสมบูรณ์พูนผลเทียบกันกับน้ำ ม, มหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่ก็ไม่พ้นที่จะค่าคข้าวด้วยสิ่งโสโครกโสมมเหล่านี้จึงแสดงตัวออมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตามขั้นภูมิของตน ไม่ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้กวนสิ่งเหล่านี้ครา่าคราวในเรื่องอดต้องทรรมนั้นเราหาประมาณไม่ได้แล้วว่าที่จะคาว่ากว้างว่าลึกว่าซึ้งของธรรมมีอยู่ตลอดมาแต่ผู้ที่จะอาจเอื้อมฝ่าฝืนอุปสรรคตังที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยในก้าวเข้าสู่อดสุดธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามความบึกความบืนนั้นมันมีกําลังน้อย และไม่มีกําลังทั้งความโง่เขลาเบอปัญญาก็ไม่ทันกับกิเลสที่มันเป็นตัวฉลาดแหลมคมบนหัวใจเรานนั้จึงลําบากต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงเป็นผู้เอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีตาก็เหมือนไม่มีอะไรดูหูเหมือนไม่มีอะไรฟังจมูกดิ้นกายเหมือนไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ให้มองเห็นความสัมผัสสัมพันธ์อยู่ระหว่างจิตกับอารมณ์ ที่สัมผัสสั พ, พันธ์กับอะไรให้จิตรู้ด้วยความมีสติอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนั่นล่ละจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดของใจถ้ามีสติจดจอ่อต้องเอาจริงเอาจังการฆ่ากิเลสฆ่าเล่นเล่นไม่ได้กิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากที่สุดไม่เค่นนั้นไม่ครอบหัวใจสัตว์โลกไล้ทั่วแดนโลกาธาตุตลอดมาและยังจะตลอดไป ก็เพราะความฉลาดแหลมคมมีคนมายาหลายด้านหลายทางหลายสั้นพันคมส่วนยาบก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนกลางก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนละเอียดก็ยิ่งมีคนมายาอันละเอียดแหลมคมมากทําสัตว์ใหต้ติดได้ติดได้เช่นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นสัตวร์จรึงไม่สนใจที่จะก้าวออกจากสู่ความหลอกลวงต้มตุ๋นของมันเข้าสู่แดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโทธ คือทำทั้งแท่งได้ก็เพราะอันนี้เองผู้ปฏิบัติต้องหนักแน่นเรื่องเรื่องสติอย่าให้ขาดว่าขาดตอนจิตไม่มีสติรู้เฉยเฉยก็เหมือนกับคนบ้านั่นดูเอานั่นแหละสติไม่มีเป็นบ้าร้อยเปอร์เซนตสติไม่มีเลยเป็นบ้าร้อยเปอร์เซนดังที่เราเห็นอยู่ตามถนนห้นทาง สติเหล่านี้มีสติอยู่ธรรมดาของคนมีกิเลสเนี่มันไม่ใช่เป็นสติธรรมดาของคนมีธรรมสติธรรมดาของคนมีกิเลสจํารู้ไปตามเรื่องของกิเลสไปหมดไปหมดเนี่ยถ้าสติสติของคนมีธรมรมระลึกรู้ตัวเสมออะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์จะรละลึกรู้ตัวอยู่ได้เรื่อยแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงกันเรื่อย ระมัดระวังไปเรื่อยๆนี่สติของผู้มีธรรมต่างกันอย่างนี้จงเป็นผู้มีสติของผู้มีธรรมจะได้รักษาตัวคุม้มไม่งั้นรักษาไม่ได้วิเดชจะเอากลืนไปหมดเหมือนน้ําในมหาสมุทรทะเลมีจะถุมขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดกว้างลึกขนาดไหนก็ไม่พ้นสิ่งโสกโปกโซมมมทีมมันจะขเข้าจนได้นั่นแหละ นี่ธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งกว้างลึกซึ้งยิ่งกว่ามาหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่สิ่งที่จอมปลอมซึ่งเป็นคู่เคียงกันเป็นข้าศึกกันมันก็ค้าเข้าได้ตลอดไปหมดไม่ว่าจะเล็กตื้นกว้างแคบขนาดไหนทิเลีดนี้เป็นเอื้อมถึงทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าไม่มีธรรมเหนือมันแล้วเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งสติสตังให้ดีตั้งหน้าตั้งต า, ตาตาหูจมูกทิ้นกาย ของเหล่านี้มีให้เหมือนไม่มีอย่าเสียดายใช้ในสิ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าเสียดายฟังอย่าเสียดายความสัมผัสสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมากับตัวของเราแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ตาหูจมูกเลี้ยนกายใช้มาตั้งแต่บัดนี้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างมีแต่กิเลสเอาไปใช้จะได้ผลประโยชน์อะไร ดูก็เพื่อกิเลสฟังก็เพื่อกิเลสจมูกดิ้มรถก็อะจมูกดินก็เพื่อกิเลสรถก็เพื่อกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมันเพื่อกิเลสไปสียหมดมันไม่ได้เพื่อทำเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีคําว่าจีจาง ก, กิเลสได้อาหารเท่าไหร่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมีกําลังมากขึ้นทําให้คนหลงเข้าไปเรื่อยเื่อยคนหลงก็คือเรานั่นแหละเป็นผู้หลงคนอื่นคนใดก็เป็นเรื่องของไทยของเราไปในเราผู้ปฏิบัติหลงนี่ที่ มันรู้สึกว่ามันผิดแตกจากโลกเขามโอกที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาหลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้เล่าผู้ปฏิบัติหลงนี่มันเกินเหตุเกินผลเกินประมาณจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ดีศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่ามองที่อื่นให้มองดูใจของเรานั่นแหละน้ำมหาสมุทรทะเลก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลน้ำอัดน้ำทำล้นจะลึก ตื่นยาบละเอียดแค่ไหนมีใจเท่านั้นเป็นผู้อย่างทราบสิ่งอื่นริงใดมาอย่างทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจะเรียกว่าธรรมเกิดกับใจใจมีธรรมคือใจเป็นนักรู้ที่จะคอยสอดส่องที่จะคอยสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมตั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนนอกนั้นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าในระบบที่ควรจะเป็นไปได้ ในความรู้ความเห็นทำทั้งหลายเช่นขั้นคำว่าสมาธิสมาธินี่ในแบบในตำรับตำราท่านก็ชี้เข้ามาในหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละทำไมจิตใจจึงจะมีสมาธิถ้าไม่มีสติรักษาจิตเป็นสมาธิไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิจิตต้องมีความแน่วแน่ต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกาะไว้ติดเช่นพุทโธเป็นต้นคาบริกรรมคำอะไรก็ตามต้องเกาะไว้อย่างติดแน่น มีสติบังคับไม่ให้ถอยพลาดพลาดจากกันนี่เรียกว่าจิตเกาะติดในธรรมแล้วธรรมนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกันเป็นลำดับลาดาพลังของธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นจิตใจที่แน่หนามั่นคงขึ้นโดยลําดับลาดาเพราะความสืบเนื่องกันแหน่งความมีสตินี่มีมีได้เป็นสมาธิได้ถ้าจิตมีการสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวกลัว ห้ามจิตไม่คิดออกหาสิ่งที่กลัวเช่นเสือเป็นต้นกลัวมากเท่าไรยิ่งหันเข้ามาสู่ภายใจิตใจให้ยึดเช่นใจอยู่ในขั้นพุโทโธก็ให้ยึดอยู่กับพุโทโธจนติดแน่นเลยเป็นตายเสียสละหมดจิตไม่ยอมคิดออกถึงหาสิ่งที่เป็นอันตรายมีเสือเป็นต้นคิดอยู่กับพุโทโธคําเดียวติดแนบอยู่นั่นและพุโทโธเมื่อด สัมผัสสัมพันธ์นกันกับใจโดยสืบต่อกันอยู่แล้วไม่ขาดว่าขาดตอนก็สร้างผลขึ้นมาสร้างผลขึ้นมาให้เกิดความแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแน่นปังเลยทีนี่จะคิดไปถึงเสือก็แล้วคิดไปอะไรก็แล้วเมื่อกําลังของทำได้กับใจได้เข้าสัมผัสกันแล้วมีกําลังมากนี่แหละทีนี้จิตจะเป็นสมาธิก็แบบเดียวกันนี้จิตจะเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่เป็น กำลังใจขึ้นมาเป็นลําดับลำดับจนมีความแน่นหนามัน่นคงก็ต้องเป็นขึ้นมาจากการตั้งสติอย่างเหนียวแน่นไม่พับท่าจากการนี้แหละนี่ผู้นี้พื้นผู้จะได้ชมสมาธิไม่สงสัยถ้าตั้งสติแบบขาดบักขาดตอนแล้วแต่จะคิดได้เมื่อไรเราคิดไปตามโลกตามสารในกิเลสตัณหาไปถลุงเสียทั้งวันแล้วยบเข้ามาหาพุทโธธรมรมโสโาชั่วงระยะวินาทีเดียวก็ไม่ได้ จากนั้นก็เกี๋ยวจะไปถลุงเสียอย่างนี้จกนจกระทั่งวันตายก็ไม่มีสมาธิจะปรากฏขึ้นในใจเลยขอจําจให้ดีในคนําบดี้ถ้าต้องการอยากชมสมาธิให้ชมให้บําเพ็ญเหตุดังที่กล่าวนี้จะไม่ไปไหนแน่นอนต้องรู้ต้องเห็นอุบายวิธีการต่างๆก็เคยได้แสดงให้ฟังแล้วเช่นกดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งคือเป็นเครื่องหนุนให้คาําำ ความเพียรของเราสะดวกขึ้นความเพียรขุกขักขุกขักเมื่อมีสิ่งหนุนมันฝ่ายขี้เดชมากความเพียรจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดสิ่งที่จะหนุนฝ่ายขี้เดชให้เบาลงเบาลงเช่นอดนอนก็เพื่อจะทรมานร่างกายนั่นเองจะเป็นอะไรไปไม่ให้มันสมบูรณ์เต็มที่ขีเดชจะเอาไปใช้หมดต้องให้มีอดหลับอดนอนจากนั้นก็ผ่อนอาหารเมื่อผ่อนอาหารกําลังร่างกายไม่ค่อยมี ก็เรียกว่ากาลังตัดกําลังกิเลสลงไปที่จะก้าวเดินของกิเลสเครื่องมือของกิเลสไม่สะดวกทางธรรมะสะดวกกว่าธรรมะก็ก้าวไปได้นั่นอดอาหารเหมือนกันวิธีพรมานนี่เป็นวิธีตัดถอนกิเลสประเภทต่างๆให้ลดกําลังลงไปเพื่อทำจะได้ก้าวออกไปนั่นแหละฝากันจําไม่ให้ดีการตั้งจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นของลําบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน เมื่อเป็นสมาธิแล้วที่จะก้าวออสู่ปัญญานั้นถึงจะ ด, ดึงได้ลากออกก็ลากออกจากความสงบไม่ใช่ลากออกจากปืนจากไฟเป็นลากออกจากความสงบโดยเจ้าของถือว่าเย็นใจสบายใจแล้วไม่อยากออกทํางานจึงต้องได้ลากและเข็นกันออกไปพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอนิจจังทุกขังอนาตาัตต า, าสุภาษสุภาษสุพังในร่างกายของเขาของเราทั่วโลกดินแดนอามปิญิปีณาเทียบเทียงกันตะให้ได้สัตว์ได้ส่วนแล้วจิตก็มีความแยบคลาย แยกแยะสิ่งนั่นสิ่งนี้เข้าไปแล้วมีความละเอียดแหลมคมเข้าไปเพราะความรู้ของปัญญากับความรู้ของสมาธินี่ต่างกันมากทีเดียวต่างกันไปเป็นลําดับ <c oughs> เริ่มขั้นปัญญาก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วจากขั้นสมาธิยิ่งมีความละเอียดละอเข้าไปเท่าไรปัญญานี่เป็นธรรมชาติที่บุกเบิกความโง่เขลาบาปัญญาของตัวเอง <c oughs> เหมือนกับเมฆหมอกที่มันปิดบังอยู่ท้องฟ้าอากาศ เมื่อเม็ดหมอกเมฆหมอกมันกระจายไปแล้วย่อมมองเห็นท้องฟ้าอากาศสะดวกสบายนี่ก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆมันครอบอยู่ในภายในจิตใจเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุก็ไปส่องทะลุก็ไปก็ย่อมมีความสว่างขัดจางแจ้งขึ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาเราจะไปหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจตามวิธีการซึ่งพระพุเทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วทุกแห่ทุกหมู่ไม่เพด อุบายแห่งวิธีการที่จะทําทจิตใจให้สงบก็มีถึงสี่สิบห้องดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายใดในทำพ่อใดบทใดที่จะถูกเหมาะสมกับจดิษของตนก็ทําเพื่อความสงบต่อจากนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นอารมณ์ของสมรถะก็าาตามเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องอารมณ์ของปัญญาเป็นงานของปัญญาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยคําว่าอาาสุภะสุพังก็คือร่างกายของเรานี่เนี่ พิจารณาเข้าไปนี่ให้เห็นชัดจางเป็นจริงของมันแล้ว แ, แยกแยกออกไปปัญญาจะก้าวเดินเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งวิมุตต์ดูดพ้นจนเมื่อเมื่อใดแล้วคําว่าสิ้นสุดก็สุดที่กิเลสเอื้อไม่ถึงนั่นแหลแต่เรื่องปัญญาจะให้สิ้นสุดโดยลาพังตนเองนั้นไม่สิ้นสุดอะไรมาสัมผัสจะรับทราบไปตลอด รับทราบไปตลอดทั้งท่านที่กิเลสไม่ ม, ไ ม, มีไม่ได้สู้กับกิเลสแหละแต่เป็นเรื่องของปัญญาทําหน้าที่ของตนเองเพียงว่าไม่เรียกว่ามากเท่านั้นเองเพราะคําว่ามากทางแก้กิเลสเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นลงไปแล้วไม่เรียกว่ามากเป็นสมบัติของจิตวิมุตตินาออกใช้ต่อโลกต่อสงสารเวลามีความจําเป็นแล้วก็นําออกใช้เมื่อหมดความจําเป็นแล้วก็ระงับดับไปเองตามหลักธรรมชาติของตน ทำที่กล่ามาเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเราจะมองดินฟ้าอากาศเราจะมองคำภีร์อย่ามองว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ศึกษามาแล้วมาปฏิบัติตัวเองให้เป็นผลขึ้นมาภายในใจเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมา แล้วก็เป็นมิมติขึ้นมาภายในจิตใจนี้ต่างหากไม่ได้เป็นขึ้นจากที่ไหนการเรียนใครเรียนก็รู้เด็กเรียนก็รู้ผู้ใหญ่เรียนก็รู้ผู้หญิงผู้ชายเรียนรู้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเพอเรียนให้รู้แต่มันเพียงจําได้เฉยๆถ้าไม่นํามาประกอบปฏิบัติตนเองขึ้นไปให้เป็นเนื้อเป็นหนังก็เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกัแ บ, บแบบแปลนแผ่นผังจะเขียนทเท่าไรก็ได้เต็มห้องเต็มหับก็ไม่เกิดประโยชน์ เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วจะทําให้ได้สักกี่ชั้นก็ได้นี่ก็เหมือนกันภาคปริยัตได้แก่การศึกษาเราเรียนมาเรียนสมาธิเป็นยังไงเนี่ยท่านก็บอกวิธีการแล้วนํามาปฏิบัติตามวิธีที่เรียนมานั้ น, นการก้าสะเดินทางด้านปัญญาเดินยังไงพิจารณาตามทางที่ท่านแนะนำํำต่างสอนเอาไว้ก็รู้เห็นขึ้นมานี่คือภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริญัต แก่การศึกษาโรงเรียนเพื่อรู้เข้มทิศทางเดินปฏิบัติแล้วดำเนินงานไปตามที่เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลําดับลําดา จ, จนกระทั่งถึงมีมุหลุดพ้นเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าวิเวทปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดไม่นอกเหนือไปจากธรรมทั้ง3ประการนี้เลยเกี่ยวโยงกันธรรมทั้ง3ประการนี้อยู่ในวงศาสนาแยกไม่ออก ถ้าใครไปแยกปริยัตเป็นอย่างหนึ่งแยกปฏิบัติไปอย่างหนึ่งไม่ทำงานประสานกันแล้วศาสนาก็เรียกว่าศ า, าสนานี่ขาดมากขาดผลขาดวักขาดตอนศาสนาขาดตาเตงตาช่างไม่ใช่ศาสนาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตาเตงตาช่างดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าอยากให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องมีปริยัตแล้วการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัต ปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็เป็นปฏิเวทขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละศาสนาที่ทรงมรกคทรงผลทรงยู่กับผู้มีทำทั้งสามประเภทนี้เกี่ยวโยงกันเบื้องต้นกับสองประเภทคือปริยัติกับปฏิบัติก่อนเมื่อพอสมควรจะผลที่จะรู้จะเห็นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นไปเองเกิดขึ้นไปเองเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตตหลุดพ้นพ้นขึ้นที่ใจนี้เองไม่พ้นที่ไหนเราทั้งหลายเห็นศาสนาว่าเป็นอย่างไรทุกวันนี้ ปฏิบัติมานานแล้วบวชมานานแล้วเห็นศาสนาเป็นอย่างไรเราอยากถามข้อนี้เหนือเกินโลกถึงได้ตื่นได้เต้นเป็นบ้ากับเรื่องของกิเลสตัณหาอ่านักหนาจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนจะเป็นบ้ากันทั้งโลกและเวลานี้เรายังไม่รู้อยู่หรือว่ากิเลสหลอกคนได้ขนาดไหนธรรมะซึ่งเป็นของเลิอเลอขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยกับกิเลสแต่ทําไมจริงไม่มีใครสนใจ นั่นก็เพราะรสชาติของกิเดสมันครอบมันงำไว้หมดประหนึ่งว่าน้ำในบึงในบ่ออันใหญ่โตและลึกกว้างขวางด้วยเตมไปด้วยความสะอาดเป็นน้ำเต็มบึงเต็มบ่อที่สะอาดแล้วถูกจอกแหนะแนะปกคุมไว้บางๆข้างหน้านี้เท่านั้นใครมองมาจากไหนก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนอยู่บนน้ำนี่เสียไม่มองเห็นน้ำซึ่งอยู่ ใต้จอกแหน่นั่นเลยเพราะฉะนั้นจอกแหนจึงเป็นความที่เด่นมากในบึงนั้นไม่มีอะไรจะเด่นยิ่งกว่าจอกก่อนแหนที่ปกคลุมหุ่นห่อน้ำมาไว้ชั้นใดก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มบึงเต็มบ่อนเต็มหัวใจของโลกเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุก็ตามแต่อํานาจแทงความโลภความโกรธความหลงราคาตั้นหามันซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกันกันกบจอกกาแหน่ที่ปกคลุมหุ่นห่อนไว้หมด ในหัวใจแต่ละดวงละดวงเวลากระดิกออกมาจึงมีแต่เห็นแต่จอกแต่แหนนี่ทั้งนั้นเห็นแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รถเครื่องสัมผัสว่าเป็นของประเสริฐเลิ่อนเลอไปเสียสิ้นไปเสียสิ้นเรื่องอัตธรรมที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ไม่มีเบื้องทั้งเบืงก็ไม่มีความหมายอะไรมีแต่จอกแต่แหนนี่เหมือนการทำของพระพุทธเจ้าจะลึกซึ่งเลื่อนเลอขนาดไหนก็ตามก็มีความหมายเพราะจอกแหนได้เกียรติเลชปัณหาประเภทต่างๆมันปกคลุมหูหม้อไว้หมดไม่ให้มองเห็นความอัจฉรย์ของธรรมเลย ให้เห็นแต่จอกจแตนะ่แหนเพราะฉะนั้นศ า, าสนาจึงกลายเป็นจอกเป็นแหนะไปหมดตามกิเลสกืนไปกลืนไปนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเรียนทุกวันนี้ใครจะเรียนมากยิ่งกว่าพวกนักบวชเราเรียนทำแต่มันไม่เรียนแต่ทํามันสิเรียนทางโลกเข้ามาเอามาฆ่าเาค้ากลืนทําไปกินไปเรื่อยๆจนไม่มีเหลือแล้วเวลานี้เรียนมากเท่าไรกิเลสยิ่งมากราคะตัณหายิ่งมากความเทวยายานยิ่งมาก ก็เรียนเพื่อกิเลสไม่ได้เรียนเพื่อทำถ้าเรียนเพื่อทำเรียนแล้วต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่ผู้เจ้าสงฆ์สอนเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งพระองค์แสดงไว้แล้วว่าเป็นภยัยว่าเป็นภัยเช่นเดียวกับผู้ดีเจ้าแล้วกําจัดมันด้วยการนะมาระมัดระวังรักษาด้วยการกําจัดด้วยทุกวิถีทางที่จะทําได้สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปจากจิตใจจิตใจก็ค่อยเด่นขึ้นมาให้ปรากฏของอัจจาขึ้นมานี่เห็นแล้วที่ี่น้ำเมื่อเรา เอาจอกเอาแหนออกเวิร์กจอกเวิือกแหนออกจากน้ําน้ําย่อมค่อยปรากฏการขนจอกขนแหนออกหรือจอกหรือแหนออกนั้นด้วยวิธีใดคือด้วยวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นแหลคือการหรือจอกหรือแหนออกจากน้ําให้มองเห็นน้ําได้ชัดเจนปฏิบัติได้มากเท่าไรก็ยิ่งหรือขนจอกแหนออกได้มากได้มากจนกระทั่งโล่งหมดทั้ง ทั้งบึงแล้วเป็นยังไงมองไปที่ไหนก็ขาวจ้าขาวจ้าแต่น้ําทั้งนั้นอาบดื่มตรงไหนสะดวกสบายไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกันจิตใจครับเมื่อได้รอบตัวแล้วเป็นเช่นนั้นจิตใจรอบตัวเหมือนกับน้ำที่เปิดแล้วในบึงไม่มีอะไรปกปิดกำ บ, บังแล้วฉันนั้นเหมือนกันใจเมื่อได้เปิดตัวเต็มที่แล้วก็คือองค์แห่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละในหัวใจดวงนั้ น, น, น นี่แหละผู้ที่เจ้าประเสริฐประเสริฐอย่างนี้พระสงฆ์สาวกประเสริฐประเสริฐอย่างนี้ไม่ประเสริฐด้วยจอกด้วยแหนมเหมือนอย่างที่พวกเรากําลังเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้นักบวชเหล่านี้แหะมันไม่น่าจะเป็นบ้า น, นักปฏิบัติของเราเนี่ยมันยิ่งเป็นบ้ากว่าโลกกว่อชงศารอันนี้ที่มันน่าทุเลตน่ะแกงไหมกิเลสหลอกสัตว์โลกเก่งไหมไม่มีใครมองเห็นได้เลยมีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันเท่านั้นมองเห็นกิเลสได้เต็มตัวกิเลสร้อยเปอร์เซ มองเห็นอัจเห็นทำร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดได้ทั้งสองอย่างมันเรวขนาดไหนแล้วความละเอียดแหลมคมความเฉียลียวฉล า, าดของมันขนาดไหนก็นํามาพูดหมดอุบายวิธีการของกิเลสที่หลอกสัตว์โลกให้ตกหลุมตกบ่อยอยู่ตลอดมาจนกระทั่งตลอดไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอะไรเพราะความฉล า, าดแหลมคมของกิเลสมันเลิศมันเลอเหลือประมาณนั่นเอง ทำเข้าไม่ถึงทำเข้าไม่ถึงถูกกิเลสปัดออกปัดออกหมดเนี่ยเพราะว่าจะบําเพ็ญคุณงามความดีประเภทต่างๆนี่ถูกกิเลสปัดนะทําให้ขี้เกียจขีคร้านท้อถอยอ่อนแอเพราะแทะเหลวไหลเป็นไปตามๆกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องของกิเลสให้ถึงใจถึงใจฟังก็ถึงใจดูก็ถึงใจขนคอยก็ถึงใจชิดก็ถึงใจถึงใจทุกอย่างคือชื่อว่ากิเลสเพราะมันเสียบปัก เครื่องต้มเครื่องตุนเครื่องหลอกลวงไว้เต็มหัวใจหมดแล้วทําไมจะไม่ติดใจกับมันล่ะเมื่อเนีมืเป็นอย่างนั้นโลกจะไม่ติดมันได้ยังไงถ้ามีเงื่อนพอที่จะมองเห็นเงื่อนของกันและกันว่าผิดว่าถูกประการใดพอจะจับได้บ้างแล้วใครจะไปติดีิเลต จ, จนจมดิ่งเหมือนอย่างที่เป็นมาอยู่อย่างนี้เราดังท่านพุทธิรูธรรมทั้งหลายยกตั้งขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตั้งแต่พรัสดาขึ้นไปนี่ท่านเริ่มรู้ท่านท่านเรลมเป็นกระแสของธรรม เริ่มรู้เห็นโทษของกิเลสแล้วอสกิริสาขาอนาคาคาขึ้นไปก็ยิ่งเปิดโลกเปิดโลกถึงอรหัตผลอรหัตบุคคลแล้วเปิดโลกหมดกิเลสมีเท่าไรพังหมดไม่มีอะไรเหลือสนุกถ้าว่าสนุกสนุกดูโลกธาตุที่จมไปด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกต้มตุ๋นสัตว์โลกนี้มีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสูงว่าต่ําไม่ว่าดินฟ้าอากาศเต็มไปหมดนรกของสัตว์โลกเต็มไปหมดชัตตัวไหนอยู่ที่ใดมีแต่เสวยกรรมเสวยกรรม ไม่มีใครที่จะเหนือกรรมไปได้นอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นเก่งไม้กิเลสแล้วเรายังจะมาทํำย่อๆย่ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อนๆอ่อนกาลังอยู่อย่างนี้ได้หรือเราต้องขึงขังตึงตังซิการจมอยู่ในวัฏฏะสงสารเหมือนสัตว์ทั้งหลายจมวิเศษวิโสอะไรบ้างดูเอามาเทียบเคียงกันซิแล้วการหลุดพ้นชั่วระยะการเพียงเท่านั้นเป็นยังไงมันก็เห็นคุณค่าต่างกันอยู่แล้วแล้วฟาดมันหลุดพ้นไปเสียหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นอนันตการ เป็นยังไงที่นี่ทาบุตรเจ้าเลิศหรือไม่เลิศเอาอะไรไปเทียบไม่ได้ไม่มีคาดได้เดาได้คเนได้เหละทําของพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นที่หัวใจพอเหมาะพอดีกับหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นของผู้เป็นผู้ไม่เป็นเดาเท่าไรก็ไม่ถูกผู้เป็นแล้วไม่ต้องเดามันพอเหมาะพอดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกินทำของพระพุทธเจ้านั่นที่เรียกพอดีท่านเรียกมัชชิมา การดําเนินก็เป็นมัชจิมาพอเหมาะพอสมกับการแก้กิเลสเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นมัชจิมาในหลักธรรมชาติไม่มีอะไรเกินหลักธรรมชาตินี้ไปได้พอเหมาะพอดีคําตำหนินิดหนึน่งก็เข้าไม่ถึงชมนิดหนึ่งก็ไม่ไมถึงเพราะเป็นส่วนเกินธรรมชาตินั้นพอเหมาะพอดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทําประเภทนี้ไว้พระสาวกอรหรันท่านทรงทําประเภทนี้ไว้และเป็นทรงไว้ตลอดอนันตการด้วยท่านอนิพานเที่ยงนิพานเที่ยงก็หมายถึงใจดวง ที่บริสุทธิพุพโทโธเต็มเต็มที่พอตัวแล้วนั่นแหละเป็นผู้เที่ยงจะเป็นอะไรเที่ยงกิเลสมันไม่พาเที่ยงละ่ะถ้าลงกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนอันนี้จังทุกขังาตาต้องเหยียบย่าทำลายอยู่จนได้เพราะอันนี้เป็นเป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องสมมุติทั้งมวล น, นี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องวิมุตติุดพ้นนั้นเป็นหลักธรรมชาติของความพ้นจากกฎของไตรลักษณ์ไปแล้วจึงเข้าเอื้อมไม่ถึง นี่ขอให้ทุกท่านตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติศาสนาเสื่อมอย่ามองที่อื่นนะให้ดูหัวใจของเจ้าของดูหัวใจของเราเองมันเสื่อมยังไงมันจเจริญยังไงเดี๋ววันหนึ่งวันหนึ่งผมก็คิดถึงหมู่เพื่อนก็คิดอยู่เท่านั้นน่ะที่จะมาแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนมันมาลำบากมากไม่เหมือนแต่ก่อนท่านทั้งหลายก็รู้ก็รู้แล้วนี่แต่ก่อนเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนในการแนะนําสั่งสอน แต่ทุกวันนี้เป็นยังไงก็ดูเอาอยู่โดยลำพังจะของก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งแต่ความสงสารนั้นล้นหัวใจนอกจากไม่พูดเฉยๆเพราะฉะนั้นการตะเกียบตะกายวโดยวิธีการต่างๆนี้จึงออกมาจากความอำนาจแห่งความเมตตาทั้งนั้นทั้งทางวัตถุทั้งทางธรร ม, มนามธรร ม, มที่แนะนำสั่งสอนประชาชนพ้านเนรเราก็ดีที่สงเคราะห์โลกด้วยวิธีการต่างๆก็ดีด้วนแล้วแต่ทําด้วยความเมตตาสงสารที่จะพอเป็นไปได้อย่างไรก็ช่วย เหลือตามกำลังที่พออำนวยให้บ้างเมื่อหมดนี้แล้วก็จะหมดปัญหาก็จะหมดประโยชน์ผลประโยชน์ไปโลกทั้งหลายก็จะขาดไปวิ่งได้อุตสาห์พยายามนี่ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวนีการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุดยเพียงเท่านี้ฟังง่ะประกอบความเพียงข้ า, าวภาษาไม่มีุระนรเลยอ๋ อ, อ กันงอะไรนวัดใหม่กลับไปแล้วเหรอฮะโหตังแล้วเข้าเป็นขาเงรนนะตั้งาเป็นขาเงื่อะอาอาอาวัชยาวัชยเงื่อนเป็นอาวของเง่เงอไปงนไปเข้าเป็นตั้งเข้าเป็นาเงื่นนะเขแล้ววังอุปกรณก็จะจะหามา พรไม่มีพระปัจจุกข้ามีพระปัจโมกข้ า, าโยงเรื่องใหญ่เลยมีพระปัจจุบนอกมันมีพระแต่ครบองค์ก็ไม่มีนูวังทงกลมาข้า ง, า ง, ง, าาางทีน่นี้องบสุดสุดแล้วฟังข้าคอร์สไปองก้วไม่มีพระไม่มีพระวัดไม่มีพระปัจจุบนกข้ายัางให้จัจะจะหาไปเยียเย่ยนไปเยยนปัจจุก อันนี้ไม่มีปลาชโมก็ต้องศัทธามากักลงปลาชูโมกกับขนะใหญ่เนี่ยต่างคนต่างประคำว่า ม, ม, มันก็เป็นปีดเป็นขางไปไม่ใช่ของดีนะอืมันเป็นปีดเป็นขางไปแล้วมันมีแน่มีงอนไปต่างๆเละเป็นผลโยบไป เ, เ, รเรื่อยๆอ่ะร่างกายร่วมลงัวสกปรกเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากทีดเดียวมันใช่เรื่องเล็กน้อยนะ พอมาเรื่องไม่ต <c astic mean Reynolds> ้องมาผมไม่เรื่องเลคือวันดูมูเพื่อนดูกระรูนมันเกิดเรื่องกับอะไรถ้าคี่วันนี่เหมือนกับเสือยาวไงอย่างนี้มันหยักมันยาวมันสกปรกเออแต่ก่อนไม่เคยเป็นคึ่มันจะคิดเฉพอมันไม่อยากคิดกับอะไรเลยอย่างเงี้ยมันโหดของมันเองน่ง มันไม่สร้างสร้างสางเหมือนแต่ก่อนความคึดความคึกเรื่องเสียเรื่องผมเรื่องอ ะ, อะไรอย่างนี้มันหบเข้ามาอะไรกใส้าใสอ่อไเขาก็บวกรบดวงมุดไม่แบบคึกคัอกอ่างไม่แบบดูอะไรดูเข้าคืกจําเป็นคึกเคือจําเป็นเขาแค่คึกแต่ห่วงแของกลับไม่ห่วงนะ บอกว่าไม่มีวลงก็ไม่ผิดบอกว่าปเปิดเพลเลยบอกไม่มีพี่จะห่วงกับของห่วงโรคห่วงสงครามกันนั่นหงลานี่ไงห่วงเพื่อนถุงพราะไม่ง่ายอย่างยังชื่อว่าอยู่พี่นี่ชือเมันเป็นไฟก็แบบเวลา ไปหางนน่าเขาไปหาเบื่อทางนะั้นเข้าไปหาคุณหาไฟไม่มีหันออกข้างรอบนะเมื่อคือมันคือเลกมากนะเพียงไจะสร้างวัดหน่อยมันจะไม่เป็นโรงงานก่อสร้างยุ่งขึ้นเหรอือผมมีตัวนี้ น, นอนยอย่างนี้ไม่ใช่ผมไม่มีตัวเพราะผมไม่เคยสร้างอะไรแก็เดี๋ยวนี้นอนกลับเป็นเป็นภัยนะแทนที่จะสงบ ถาขันสบายสบายพักนอนสบายนี้กลับไม่เป็นอย่างไงนอนเลยกลายเป็นเรื่องลาคานไปมันไม่หลับนะไม่หลับไม่ง่ายนะไมนไปไหนก็ีก็ไม่ไปไหนเราอยู่นี่มันแต่มันไม่ลงพลองความหลับของมันแล้วพวกเส้นพวกเอ็นอะไรพก็ขดีดขยื่นของมันเพราะมันจะหาทางแตกจะว่าไงเจ็บนั้นเจ็บมีเดียดเดือดดัดดัดอะ มันนักเป็นน้ำมันอยู่ทั่วตัวบางคืนก็ลุกออกมาเดินยังคมบังคืนผมเดินยังคมผมตลอดนั้นอยออกเมา่อไห่ผมก็ออกไม่มีกาหนดหรอกเดินยังคมเดินไปมาเนี่ยไปนั้นมานั่นไปนั่นทายังคมอยู่กุฏิแล้วนอนแล้วก็นนนหลับหลับเงีบงี บ, งบ คืนนมันจะถึงสามชั่วโมงเหรือให้มันเต็มสามชั่วโมงนี่น่ากลัวจะไม่เต็มพอมันหลับๆเป็นตื่นหลับงีบเดียวตื่นแล้วงีบเดียวตื่นแล้วมันไม่หลับเป็นวักเป็นตอนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนว่าพอปั๊มมีนหลับพอตื่นขึ้นปั๊บลุกเลยนะเช่อย่างที่ผมเคยนอนห้าทุ่มเหมือนพอตีสามเป่งมั น, 4, 3, 4, 5, นตื่นแล้วลุกเลยในย่างกลางไม่ตื่นนะ ธาตมันดีตื่นได้เวลาเวลาพอดีพอดีเราฝึกธาขันมันก็อยู่ในอำนาจของการสูกได้พอสมควรแต่ทุกวันนี้โอ้ยไม่ได้แล้วนอนในลำคางกั้งวันนี้มันก็ไม่ค่อยหลับนะนอนถ้าหลับมันก็เดถึง1ิานาทีเด้อน่ากลัวไม่ถึงเพิ่มไปนงีบเดียวตื่น มันเรียวมันไม่เป็นชิ้นไปดันอ่ะกลางคืนกับมันกันกลางวันมือนกันหลับเพราะฉะนั้นถ้าสั่นจึงไม่มีกําลังมันไม่จะอ่อนที่เดนินโยกมือก็เสียก็ อ, อายุขนาดนี้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้เป็นอย่างนี้จับมันได้ทุกระยะเนี่มยมือใจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันแล้วก็จะพูดทุกแบบทุกโลกก็ได้ว่าสนุกดูมันว่างัน้นก็ได้ไ ด, ได้เป็นไรไป ไม่ไดีห่วงมันมันจะไปวมื่อไรก็ไปสิเนี่ยาเรื่องสอกข้อขันของเราเรื่องของโลกนั้นเป็นห่วงเลยเรา่องก็ยิ่งเป็นปุนมป็นไปก็โดยลําดับลาดาเพราะมันทาให้รู้เรื่องดุจดุจเป็นประโยชนงเวทมากนะเรื่องของกิเลสไม่รู้ไม่มีใครรู้นะ พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาในองอัศจรรย์เลยมารู้สิ่งเหล่านี้พระอรหันต์ท่านรู้สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจเต็มหัวใจว่าเป็นภายขนาดไหนกับโลกโลกไม่รู้เลยทําไงโอ้มันกล่อมได้ขนาดนั้นนะเป็นขัน้นขั้นขั้ น, น, นะั้นนะฝุดหนึ่งภาคปฏิบัติตติปัญญาขั้นนี้รู้กิเลสขั้นนี้ถ้าตติปัญญายังไม่ถึงขั้นไหนไม่รู้มันล่ะมันก็เหนืออยู่เรื่อยเอย ตามก็ไปเรื่อยตามก็ไปเรื่อยนี่เรื่อแล้วใครคิดใครมาสังเกตมันหมดโลกนี่สังเกตว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นไทยความเหิดมันก็เป็นคุณเสียเนี่ยจะว่าไงได้ฆ่าเขาแล้วก็ว่าเป็นของดีเสียนั่นทังที่ทั้งๆจะมันเร็วขนาดไหนนั่นอ๋อมันกล่อมได้สนิทมาก พวกเรานี่ไม่ผิดอะไรกับควายตัวหนึ่งแล้วสัดโลกนี่เหมือนควายตัวหนึ่งไม่รู้เลยเนะมันจูงไม่รู้เลยจนเป็นเป็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปผู้ทีละเอียดมันตอนนี้มันก็ละตอนนี้มันกระจูงตอนนั้นละตอนนั้นมันกระจูงตอนนั้นจนได้จนเราว่าทะลุหมดไม่มีไดจูงมันต้องมีลูกโทษของมันเตะมือใจเมื่วันนี้มานทบไปยังไงตัวยังไงแล้ว จะดีหนึ่งที่ไม่มีอะไรมากวนขนาดเพื่อก็โดยสะดวกตามธาตุขันธาตุขันขนาดไหนก็ไปตามเรื่องของตัวเองไม่มีอะไรมากวนเพิ่มเติมเขาอีกถ้าปัจยิบัตเราไม่ได้มีภาระอะไรมากพอจะยุ่งควรใครตกไข่ไหมเรื่องยุ่งควรนี่ให้ระวังให้มากนะนี่ไม่เคยมาแต่ไหนยุ่งควรใครขอไข่เป็นมาจต่ไหนแต่ไร อยู่ตามลําพังจะของนั้นน ะ, ะเรียนเรียนหนังสืออยู่ผมไม่รู้จักกับใครไม่ทราบจะไปขอใครไงออกปฏิวัติแล้วยิ่งแล้วเลยไม่เคยกวนใครขอใครนะให้ระมันระวังให้ดีพระกวนนั่นควนนี่ขอนั่นขอนี่ดูไม่ได้นะขออย่าให้มีในวัดป่าบมันตัแต่ควรดังนั้นแต่กวรดังนี้นะเดี๋ยวองค์ไหนมันเก่งๆอย่าี้มีไหมนี่ยมีแล้วไม่มีในภาษาออกภาษาหนะขับเลยทันที ความเร็วมันมีได้ทั้งในพรญหานอกพัรษาว่าไงมันต้องปฏิบัติกันให้ทันกันดิจะมารอพัรษาได้ไงเดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้กับยากกับโยมนะไปคุ้นใครเรื่องพรากรรมปฏิบัติไปคุ้นกับใครวะมันจะดูหัวใจอยู่ขอ ง, ของตั้งวันมันก็นยังสู้กิเลสไม่ได้ มันเอามาสุดหลี่ยงแล้วมันก้มองดูเพื่อนดูฝูงทนเลยเฉยนะแบบหูหนวกตาบอดเหมือนไม่ดูไม่ฟังถยางั้นมันถึงอยู่ได้นะถ้าจะอยู่ด้วยความคิดความอ่านให้ปฏิบัติตามความคิดความอ่านนี้โอ้ไม่ได้แล้วมันเสิอๆเสร์าสาสนาะเรื่องอัดเทพก็อไปนั่งมากนะมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นนะ เวลานี้มันหนังมากนะพวกที่เกี่ยวข้องกับเทพก็นังสื้อนะแจกก็แจกไปมากแล้วควรงดคนพักกับพักไปสักบางสิจะยุ่งกันมากนัก น, นะพลาเลยจะตายเลยไม่อะไเรื่องเล่าอะไรช่วยแต่โลกเจ้าของจมมันมีอย่างเลยราวิศกมานานนะนี่มันใช่ราวิศกมัเรื่องเหลนี้ไม่คิดได้หรือเรื่องหยาบหยาบแจกก็แจ ก, แจกมามากก็มากแล้วเทพก็ดี มีตุกในวงกรรมฐ า, านเรานี่ผมนะมีตกแต่วงไหนก็ตามย่นกข้มาในวงของเรานีอในสายของเรานีมันเสียได้ง่ายมากนะเรื่องกิเลสนี่เร็วที่สุดนะไม่ทันมันง่ายๆนะถึงได้พูดจะเสมอวะ่ะมันมาแอบกินแล้วแอบกินแล้วอย่งที่ดูที่ศาสนาเราใครก็คิดว่าศาสนาเป็นโรงสินค้าได้ เดี๋ยวนี้มันเป็นโรงสินค้าแล้วนะศาสนานะใครคิดหรือไม่คิดก็ไม่รู้แล้วมันออกทุกแง่ทุกมุมกิเลสเขาตีตลาดหมดะอะไรอะไรเป็นสินค้าหมดแหละจะให้กันด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยน้ําใจตามหลักศาสนาสอนไวนะ้นะมีแต่กิเลสเข้าไปตีตลาดเดี๋ยวนี้ก็พระโพธรูปแล้วเกินโลกเกินทรงถานนะบ้า่จได้แม้แต่เทียนนึ่ก so ็ดูสิ่นี่ เทียนพรญษาเทียนบัญษาไหนมีอยู่ไหนในตํำลับตนาาบอกว่าเทียนบัญษัมีตรงไหนมันไม่ ม, ม, มีมันก็กําเลือกเสือกสารทํามันขึ้นประกาศโฆษณาคุณภาพ ค, คุณสมบัติขึ้นผู้เป็นบ้าก็เป็นบ้าไปตามกันเดี๋นี่อย่างนั้นแล้ว <c oughs> เทียนทูกเทียนธรรมดาเป็นอามิดบูชาไม่เห็นเลยทํำคาเลือกเสือกสารกันแบบนี้ <c oughs> นี่มีน้าซ้ํายังไปแข่งกันโถ วัดนั่นวัดนี่แข่งกันไม่ได้ที่หนึ่งาได้ที่สองที่สามเหมือนนี้ยโอ้พระศิลนี่ยขายเกอนโอ้โนังสือธรรมะธรรมโมเนี่ยใครได้คิดขึ้นได้แล้วกิเลสนี้อิ่มท้องแล้วผมพอดีตั้งแต่ของเราเนี่ยไม่ออกสักเล่มเดียวเลยเพราะผมมีอุมติอยู่เกี่ยวข้องกับผมน้อยเมื่อไหร่ นังสือเนี่ยเขาจะพยายามเอาจนได้ผมกับเด็ดของผมนี่นะผมไม่ยอมให้มันยังยั้งอยู่นี่ละ่ะขายไปหาอะไรถ้าเป็นนักบุญนักกุศลก็เสียตลาดให้กันไม่ได้หรือมีมแต่กิเลตีตลาดั้งบอกแล้วผลจุดท้ายน้ำมนต์ขายกันเกลื่อนว่าไง ทำรูปทำเรียนออกขายทำน้ำมนต์ออกขายอ ะ, อะไรนี่จะขายขายจี้เด็ดตีเข้าไปหมดโอ้ทำแต่แาจจะไม่มีนี่เป็นอย่างนี้เอ๊มันอดคิดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้กําลังภาคเรียนหนังสือนะกําลังหนักเป็นเป็นโลกไปหมดเลยาศาสนาเป็นโลกไปหมดดังที่เคยพูดมือเช้าวานนื่วันไหนเดี๋ยวนี้แล้ววิชาทางโลกเนี่ยเข้าไปในวัดในวา พรานนเนรเรียนไม่เป็นบ้าทางโลกกันไปนหมดแล้วเวลานี้ทําไม่มีความหมายเนาะโลกกิเลสกลืนกินหมดแล้ว น, นู้นะ่ะกิเลสจริงๆนะการิตไปอย่างนี้แล้วมันอ่อนใจนะมันไม่อยากเล่นกับใครเลยนะเขไม่ทราบจะสอนไปทําไมแนะ่มันเป็นอย่งั้นนะสอนไปแล้วก็อย่างว่าเหมือ น, นเท น, านา้ําสไปล้างหมานะอะไรเลิกกันแล้วนะทีนนี่แหละก็ เอา น, นี่ออกตามพระหลับไป